บทที่10อุปทานเป็นปัจใจให้เกิดกรรมภพอุปทานเป็นปัจใจให้เกิดภพอุปทานเป็นปัจใจให้เกิดภพมีสองประเภทคือ1กรรมภพ2 อ, อุปัติภพกรรมภพคือกรรมที่เป็นปัจใจให้เกิดอีกจำแนกได้เป็นสาประเภทได้แก่ปุญญาภิสังขาร อปุญญาพิสังขารและอเนนชาพิสังขารปุญญาพิสังขารชักนำให้เกิดในกามสุขคติพงศ์หรือรูปภม์อปุญญาพิสังขารชักนำให้เกิดในอบายภมศ์และอเนนชาพิสังขารชักนำให้เกิดในอรูปภม์พระพุทธองค์ได้ตรัสว่ากรรมภพหมายถึงกรรมที่ก่อให้เกิดพบใหม่ทั้งหมด ปัญญาพิสังขารโดยองค์ธรรมคือเจตนาเจตสิกที่ประกอบในมหากุศลลจิตกามาวจรกุศลเจตนาแปดดวงในกมามพูมิและที่ประกอบในรูปาวจรกุศลจิตรูปาวจรกุศลเจตนาห้าดวงในรูปภูมิอาปุญญาพิสังขารคือ เจตนาที่ประกอบในอกุศลมูลจิตอกุศลเจตนาสิบสองดวงอเนนชาพิสังขารคือเจตนาที่ประกอบในอรูปราวจรกุศลจิตอรูปราวจรกุศลเจตนาสี่ดวงในอรูปภูมินอกจากนี้ กรรมที่เป็นปัจจัยให้มีการเกิดพบใหม่อีกได้แก่กรรมที่ประกอบด้วยกุศลเจตนาในกามภูมิคือความไม่โลภอยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่นความไม่พยาบาทปองร้ายและการมีความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิกรรมทั้งสามอย่างนี้จัดเข้าในปุญญาพิสังขารกล่าวโดยสรุปว่า กรรมภพคือเจตนาในฝ่ายกุศลหรืออกุศลซึ่งเป็นปัจจัยชักนำให้มีการเกิดต่อไปอุปติภ พ, พ, พสามารถจำแนกออกได้9ก้าชนิดคือ 1. กรรมภ พ, พรูปนามของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในกรรมภูมิได้แก่การอุบัติเกิดในนรกสวรรค์มนุษย์ เดือรชานหรือเปรตเป็นต้น 2. รูปภพขันห้าของพรหมในรูปภูมิสมอรูปภพนามขันของพรหมในอรูปภูมิสสัญญาภ พ, พรูปนามของสัตว์ที่มีสัญญาในภูมิยี่สิบเก้าภูมิยกเว้นอสัญญีภูมิและเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิ 5. อสัญญาพพรูปขันธ์ของพรหมในอสัญญศสัตย์ภูมิ 6. เนวสัญญานาสัญญาภพนามขันธ์ของพรหมในเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ 7. เอกโวโารกภพภพที่มีรูปขันธ์อย่างเดียว 8. ปดจตุโกรกภพภพที่มีเพียงนามขันธ์สี่ เก้าปัญจะโวการพบพบที่มีขันห้ากล่าวโดยสรุปคืออุปติภพหมายถึงรูปนามของสัตว์ที่มีกรรมเป็นปัจจัยชักนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะและเวทนาภพที่เกิดจากอุปทานได้แก่กรรมภพ ส่วนอุปติภพอื่นๆเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นการสัมผัสรับรู้อารมณ์ทั้งหที่ดีและไม่ดีผัสสะทำให้เกิดความรู้สึกพอใจและไม่พอใจเวทนาเป็นเหตุให้เกิดความดิ้นรนทยานอยากตัณหานั้นเป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นอุปทานในกรรมรมอาจมีกำลังแรงมาก จนเป็นแรงปรารถนาเพื่อที่จะได้พบผูกพันกับญาติมิตรในชาติหน้าหรือต้องการบรรลุพระนิพพานพร้อมกับบุคคลผู้เป็นที่รักของตนดังสาธกในเรื่องเมธะกะเศรษฐีเรื่องเมธะกะเศรษฐี เมนตากราเษถีในชาติก่อนได้เกิดเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยครั้งหนึ่งได้เกิดชาติกับภัยภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งอย่างร้ายแรงพืชพันธัญญาหารที่เก็บสะสมไว้ก็ล่อยรรอลงจนไม่พอจะเลี้ยงดูฆ่าทาตบริวารจำนวนมากได้เศษฐีจึงจำเป็นจะต้องปล่อยคนเหล่านั้นให้ไปตามยถากรรม เหลืออยู่แต่เพียงภรรยาและบุตรบุตรสะัยและทาตคนหนึ่งวันหนึ่งภรรยาเศรษฐีหุงข้าวที่เหลืออยู่น้อยมากจนแทบจะไม่พอสําหรับหนึ่งมือ้อเมื่อหุงเรียบร้อยแล้วกำลังจะเริ่มบริโภคอาหารในเวลานั้นเองได้มีพระปจเจ ก, กับพุทธเจ้าเดินบินทบาทผ่านมาเมื่อเศรษฐีเห็นพระบิทบาทจึงคิดว่า การที่เราต้องมาประสบความอดอยากในชาตินี้คงเพราะไม่ได้ทำทานไว้ในชาติก่อนจึงถวายข้าวในส่วนของตนใส่บาตรจนหมดแล้วอธิษฐานขอให้ชาติต่อไปได้มีอาหารอุดมสมบูรณ์ได้พบกับภรรยาและบุตรบุตรสะพายและาธาตุอีกภรรยาเศรษฐีพร้อมทั้งบุตรชายและบุตรสะพายก็ได้อธิษฐานในทํานองเดียวกัน คือขอให้มีอาหารและทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์ไม่มีวันหมดและให้ได้พบกันทั้งหมดอีกในชาติหน้าคำอธิษฐานของเศรษฐีแลกครอบครัวจึงจัดเป็นอุปทานในกรรมภพที่มีกำลังมากผู้คนในปัจจุบันก็ยังเป็นธาตุของความผูกพันเช่นเดียวกันนี้ที่น่าแปลกใจคืออุปทานของนายปุ น, นะผู้เป็นข้ารับใช้ เมื่อได้ถวายข้าวแล้วได้อธิษฐานขอให้มีอาหารสมบูรณ์และได้เกิดเป็นทาสของครอบครัวเดิมอีกในชาติหน้าไม่คิดปรารถนาจะเกิดเป็นพระราชาหรือเศรษฐีเพราะความผูกพันต่อ น, นายมีกำลังแรงมากจนทำให้อยากจะเกิดมาเป็นทาสของตระกูลนี้อีกครั้นพระปจเจกับพุทธเจ้าได้รับอาหารบิณฑบาตแล้ว จึงกล่าวคำอนุโมทนาสาธุการแล้วจึงกลับไปยังภูเขาคันธมาศและยังได้จัดการแบ่งอาหารบิณฑบาตนั้นถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าอีกห้าร้พระองค์โดยที่ท่านเศรษฐีและครอบครัวได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยอนุภาพของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้นในวันเดียวกันนั้นปรากฏว่า ทานของท่านเมนตกะเศรษฐีและครอบครัวได้ส่งผลอันยิ่งใหญ่พวกเขาพบว่าหม้อเต็มไปด้วย ข, ข้าวสุกและเมื่อบริโภคจนอิ่มหนำแล้วข้าวก็ยังไม่ได้พร่องไปแม้แต่น้อยและในยุ้งช้างก็มีข้าวเปลือกอยู่เต็มเช่นเดียวกันต่อมาในสมัยของพระสมณโคดมพุทธเจ้าท่านเศรษฐีและครอบครัวได้มาเกิดในกรุงพัทยาแห่งแคว้นมคธตามคำอธิษฐาน ท่านเหล่านั้นมีบุญญาลิทธ์ที่น่าอัศจรรย์เป็นผลของการถวายทานแด่พระปัจเจกับพุทธเจ้าต่อมาทั้งหมดได้บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาเรื่องนี้มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในพระวินัยปิฎกและคำพีอื่น อุปทาและกรรมภพเมื่อความยินดีพอใจในกรรมคุณได้พัฒนาขึ้นจนเป็นความทยานอยากอย่างรุนแรงย่อมทำให้บุคคลนั้นดิ้นรนขวนขวายที่จะทำกรรมดีหรือกรรมชั่วเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการทุกวันนี้การโจรกรรมและการฆาตกรรมเป็นต้นมีอยู่ทั่วไป ล้วนแต่เกิดมาจากอุปทานในกามอารมณ์เป็นต้นเหตุส่วนใหญ่แล้วอาจยากรรมมักมีอุปทานดังกล่าวเป็นสาเหตุแต่บางครั้งก็เกิดจากความยึดมั่นในความเห็นผิดอย่างอื่นการสร้างกรรมชั่วนั้นบางครั้งไม่ได้เกิดจากความปรารถนาที่ชั่วสำหรับตนเองอย่างเดียวบางคนอาจสร้างกรรมชั่วเพราะความผูกพันต่อบุคคลอื่นที่เป็นสามี หรือภรรยาอย่างขาดสติบุพรัชชาติสมัยหนึ่งนานมาแล้วในกรุงพารณสีมีชายเข็นใจคนหนึ่งเขามีผ้านุ่งและผ้าห่มสีขาวเพียงอย่างละผืนซึ่งได้ซักไว้อย่างดีเพื่อให้ภรรยาได้นุ่งห่มไปเที่ยวงานมหฮรสบ แต่ภรรยาของเขากลับต้องการผ้าสีชมพูไม่ว่าเขาจะได้พยายามเกลี้ยกล่อมเท่าไรนางก็เฝ้า้าสซีอยู่เสมอเขาจึงลักลอบเข้าไปในราชอุทยานเพื่อขโมยดอกไม้สำหรับย้อมผ้าให้นางแต่ถูกทหารยามจับได้จึงถูกลงทันด้วยกันเสียมเหลาและแม้จะต้องทนทรมานอย่างแสนสาหัส ทั้งยังถูกกาจิกลูกในตาเขาก็ยังเฝ้ากล่ำครวญว่าความทุกข์กายเพียงนี้ยังเทียบไม่เท่าความทุกข์ใจที่ไม่สามารถทําตามความปรารถนาของภรรยาและไม่ได้ไปเที่ยวงานกับนางเขาคล่ำครวญอยู่เช่นนี้จนกระทั่งขาดใจตายแล้วบังเกิดในนรกในปัจจุบันบุคคลจำนวนมากกระทากรรมชั่วเพราะเหตุจากคนรัก กรรมชั่วเหล่านี้มีอุปทานในการอารมณ์เป็นปัจจัยและนำพาให้ไปเกิดในอบายภมินอกจากนั้นบางคนฆ่าสัตว์เพื่อบูชายันด้วยความสำคัญว่าจะได้รับบุญกุศลที่เป็นผลดีแต่การกระทำดังกล่าวเป็นบาปแน่นอนเพราะมีความทุกข์และการสิ้นชีวิตของสัตว์ที่หวงแหนชีวิตของตน ถ้าอ้างว่าสัตว์เหล่านั้นตายแล้วจะไปปังเกิดในสวรรค์ก็ควรคิดเทียบดูกับตัวเองว่าถ้าเราหรือคนที่รักถูกฆ่าเพื่อบูชายันเราจะอยากถูกฆ่าแล้วไปเกิดในสวรรค์หรือไม่บางคนเห็นว่าการช่วยให้คนที่กำลังทุกข์ทรมานด้วยโรคร้ายที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ให้ตายไปอย่างรวดเร็วนั้น เป็นการทำความดีแต่ผู้ป่วยนั้นไม่อยากตายเพียงต้องการอยากหายจากความทุกข์ทรมานและถึงแม้ว่าผู้ป่วยต้องการจะตายก็ตามในทางพุทธศาสนาถือว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปหากใครทำให้บิดาหรือมารดาต้องตายก่อนเวลาอันควรไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแม้จะเป็นการฆ่าด้วยความปรานี เพื่อให้พ้นจากโรคร้ายก็ยังจัดเป็นกรรมที่ชั่วร้ายแรงมากซึ่งจะพาให้ตกนรกอย่างแน่นอนด้วยเหตุนั้นในคำพีวิสุทธิทมรรคจึงกล่าวว่าความทยานอยากในการสุขในมนุษ ย, ยโลกหรือเทวโลกเพราะเชื่อคำสอนที่ผิดเป็นต้นทำให้คนบางคนทำกรรมชั่วเช่นการฆ่าสัตว์ เพื่อให้ได้วัตถุกรรมที่ต้องการย่อมส่งผลให้ไปเกิดในทุขติภูมิหลังจากตายเพราะความภัยบณ์แห่งทุจริตดังที่ได้กล่าวไว้ในคำพีอธกถาความเห็นผิดของบุคคลเหล่านี้เกิดจากการเชื่อครูที่ผิดการไม่ได้ทำกรรมดีมาในชาติก่อนและการไม่สำรวมอินทรีย์กล่าวคือคำสอนของครูที่ชั่ว จะเป็นเหตุให้ทำชั่วกรรมชั่วที่เคยทำในชาติก่อนเป็นปัใจจัยให้หลงไปตามความเห็นผิดหรือรับเอานิสัยชั่วได้ง่ายและการไม่สำรวมอินทรีย่อมทำให้ตกเป็นเหยื่อของกิเลส ท, ที่เย้ายวนได้ง่ายพระสัตรธรรมทรรมของคนดีผู้ที่ปฏิบัติตามพระสัตธ ร, รรมย่อมได้รับคําสอนที่ดีละเว้นการประพฤติชั่ว พูดชั่วและคิดชั่วมีสัมมาทิฏฐิในเรื่องเกี่ยวกับการเกิดพบใหม่กรรมและผลกรรมเป็นต้นตลอดจนฝึกฝนอบรมจิตให้คิดแต่สิ่งดีบำเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อประโยชน์สุขในชีวิตการบำเพ็ญทานรักษาศีลและอบรมพัฒนาจิตเป็นกรรมดีโดยแท้ เราไม่มีโทษและเป็นที่ยอมรับทั่วไปไม่มีใครตําหนิคนที่หลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์และการละเมิดศีลธรรมอื่นๆกรรมดีที่เราทําเพื่อความสุขในชาตินี้และชาติหน้าจัดเป็นกุศลกรรมที่เกิดจากกามุปาทานกรรมเหล่านี้พาให้เกิดในมนุษยโลกหรือเทวโลก ดังนั้นคำพีวิสุทธิมักจึงกล่าวว่าส่วนบุคคลอื่นผู้ได้สดับพระสัตธรรมและเชื่อมั่นในกรรมเป็นต้นโดยเชื่อว่ากรรมดีย่อมเป็นใบเบิกทางสู่ชีวิตที่ดีขึ้นในกรรมภูมิเช่นเป็นเศรษฐีขุนนางหรือเทวดาเขาจึงทำกรรมดีด้วยอำนาจของกามุปทานและได้เกิดใหม่ ในมนุษยโลกและในเทวโลกเพราะความไพยบู์แห่งสุดจริต